และธรรมเทศนาลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทไยสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่ารวมใจสู้ภัยน้ำท่วมและการอุปถาภครูบาอาจารย์เออ ว, วันนะี้ก็ได้ยินมาสองวันแล้วข่าวสนดสังเวชใจคุณสิริบูลที่มาวัดของเราตัวพร้อมๆนะ ที่ทงานรถไฟกับลูกชายกับแม่หนีน้าทะเลแอนีน้ำท่วมขึ้นไปทางพิจิโนโลกพอไปถึงพิจิโนโลกรถมีรถขระหนงหลับในเข้ามาชนกลางลำลูกชายคนซูเฟอร์ที่ขับขาหักคนกระดูกชี้โคงหักทิ่มเข้าปอดแม่ขาหักได้ตายสอง คงไม่ได้มาวัดเราล่ะแต่ก่อนเข้าพรรษาออกพรรษากระถิน่นมาตลอดมาดิ้ไปแล้วรถชนตายอยู่ที่พิจุนุโลกและเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ไปโอนจตุปัจจัยช่วยน้ำท่วมเมื่อวานเนะีปัจจัยอยู่กับปอที่หลวงพ่อให้ข่าวก่อน หลวงพ่อเลยให้โอนไปให้หมดเพราะทางนูน้นคือทางเสียหลีเสียโฮเสียต้อมเป็นเจ้าของบัญชีตั้งสามคนเป็นบัญชีบัญชีร่วมบัญชีชื่อลงบัญชีหลวงตามหาบัวยนทัปันโนช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบัญชีนะบัญชีเฉพาะ ก, การหลวงพ่อเลยให้ ปอโอนเข้าไปเมื่อวานเนี่เพราะว่าผู้ที่อยู่หน้างานถ้าเงินเงินอยู่ในหน้าตักมันน้อยเกินไปก็ไม่รู้จะดําเนินงานยังไงไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเรามีเท่าไหรก่ก็โอนโอนเข้าไปเพราะบัญชีแน่นอนแล้วบัตเนี้ก็เลยปอก็เลยโอนเข้าไปสี่แสนให้สองแสนสองแสนสามหลงวานนี่ยกัหลงพ่อก็เลยโอนเขาไปอีก พ่อหลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดจะจะลงไปธุระเดี๋ยวมันจะขาดตกปกพ่องหลวงพ่อและโอนเขาไปอีกสองแสนปัจเจวัดของเรานะเป็นอันว่าทางคุณหมอก็ผ่านทางของเราเหมันกันหนึ่งแสนผ่านเพื่อช่วยน้ําท่วมแล้วก็คุณชมบัตรก็ผ่านเราอีกหนึ่งแสนผ่านเราเหมือนกันช่วยน้ําท่วมนะก็เป็นอันว่าในกลุ่มของเราคณะของเรา ที่ช่วยน้ำท่วมเนะี่ยคราวนี้เนะี่ยที่เป็นเงินทั้งหมดแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบาทอันนี้ยังจุกหนึ่งนะต่อไปคงจะมีอีกถ้าน้ำยังท่วมไม่ลดละก็คงจะทยอยหรือว่าพยายามที่จะหาช่วยเข้าไปอีกอันนี้เพียงอาหารนะสำาหรับข้าว ข้าวที่เนี่ยหลายร้อยกระสอบเนะี่ยยังไม่ได้หารกันไม่รู้ใครจะจะรับภาระจุดจุดนั้นเราก็ยังยังมีส่วนร่วมจุดนั้นอีกอยู่ทากว่าจุดนั้นได้ใช้ข้าวเท่าไหร่กี่กระสอบกี่ตันเราก็คงจะหาทุนแบ่งไปแค่วอาหารกันอีกตอนนั้นยังไม่ได้หารกันตอนนั้นะอันนี้เพียงส่งเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารทุกวันนี่ก็มีทหารจะสั่งเสาวมาช่วยแล้วก็พวกชาวตลาดเข้ามาช่วยแบ่งเข้ามาช่วยทําอาหารไม่ใช่ทําอาหารมาแพ็คถุงแต่ว่าตามที่จริงทางเสียโหัวเต้องการคือคือต้องการแม่ครัวผู้ที่ทําอาหารปรุงอาหารจังขาด แต่ว่าผู้ผู้แพ็กเนี่ยพอมีอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ทหารเนี่ยก็คือเป็นผู้แบกผู้ขนผู้ส่งผู้ยกขึ้นรถจากนั้นก็ยกลงแจกคู่คนที่ที่ไปส่งแล้วก็ส่งคนของเราไปส่งตามหน่วยต่างๆที่หน่วยอุปยบหนีน้ำเรื่องว่าแจกตรงที่น้ำท่วม รถที่จะเข้าไปได้ก็รถหกล้อทหารทหารเข้าให้รถมาคันหนึ่งรถหกล้อพวกนี้นก็ทําทําทั้งคืนะเออจนเหนื่อยแล้วก็พักพักข้าวที่ทำนั่นก็เอาแพ็คเข้าไปในถุงอกระติกกระติกน้ําแข็งถังน้ําแข็งแพ็คแพแ พ, แพไปสึกถั ง, งน้ําแข็งไว้พวงนี้เช้าก็ขนขึ้นรถไปแจกั เราบ ม, มันเย็นแล้วอ่ะโอ้ยังอุดยังร้อนเหมือนเก่าอย่างหลงพอ่อพอมันแพกไว้ในถุงมันน้ําแข็งมันปิดต้องไว้ข้าวยังร้อนยังยังเก่านะอไปแจกชาวบ้านเขานี่แหละอันนี้ก็คือการดําเนินงานกลุ่มของเราที่ไปช่วยน้ําท่วมเดี๋ยวนี้อยู่แถว อ, อําเภออำเภอวังน้ําเปลือกสะเชิญเซา ก่อนอยู่สวนแสงธรรมสวนแสงธรรมาน้้ำท่วมเม็ดกว่าเดียวนี้อยู่ไม่ได้ละพอน้ำจะท่วมก็เลยรีบหนีขนของย้ายย้ายกนมน่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะมันคนกลุ่มใหญ่ไปพักพิงที่ไหนเขาก็เดือดร้อนที่นั่นก็เลยไปพักอยู่เอออะไรตลาดกลางตลาดกลางของเกษต ร, รอาเภอวังน้ำเปรียวก็มีคู่คนมาพักพักได้ได้หลายคน ก็เลยไปตั้งหลักอยู่จุดนั้นจากนั้นก็ลำเลียงของส่งเข้ามาทางกรุงเทพฟังฟังดูแล้วก็ได้รับความสะดวกพอสมควรอยู่ในการพักที่พักพาอาศัยเหลื่องวัตถุดิบก็ส่งมาจากทางโคราชบางทางังงที่อื่นบางพวกพวกนี้เขาก็กว้างขวางมีหมู่มีเพื่อนมากอยู่เสียโห o เสียหลีแต่เสียต้อมเนเป็นคนในพื้นที่ กับพี่น้องลูกหลานในถิ่นนั้นแหละช่วยช่วยกันหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าไม่ช่วยกันคราวนี้ก็ไม่รู้จะช่วยกันคราวไหนช่วยช่วยกันเนะ้อแบ่งเบาภาระให้ทางรัฐบาลเราเนะี่ยปิดทองหลังพระไม่เป็นไรเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนทางภาคกลางขึ้นมาช่วยกูบาจาันทร์พระกรรมฐานทางภาคอีสานเนี่ยมากต่อมากวัดไหน ที่ไม่ได้รับการกอนุเคราะห์จากพี่น้องทางภาคกลางมีไหมไม่มีนะกรถินผ้าป่าขาดที่ไหนขาดเหลือขาดตกพี่น้องทางภาคกลางเขาขึ้นมาช่วยแต่ข่าวนี้พี่น้องทางภาคกลางรู้สึกว่าประสบอุทกภยัยภัยน้ําท่วมฮะพวกเราที่น้ําไม่ท่วมต้องยื่นมือลงไปช่วยกันละนี่แหละอันนี้คือทีทัทนทีเรา ่ที่หลวงพ่อเคยพูดขาวนี้ตาข้าข่าวหน้าตาเองไม่รู้ถึงขาวไหนละ่ะเราอยู่ในโลกนะีไม่รู้ว่าใครจะเจอหมัดไหนก็ไม่รู้เราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ที่ไหนได้แผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มมันเป็นมันเกิดได้ทั้งนั้น น, ะน้ำท่วมอากาศวิปริตเกิดโรคระบาดมันเป็นได้ทั้งนั้นนะเกิดมาในโลกไม่เกิดทันที่สุดนะ แต่หลวงปู่ก็ยังหลวงพ่อเอง ก, ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันอยากจะเข้าไปกราบไปดูไปแลท่านเพราะถือว่าเป็นท่านเป็นพี่ชายใหญ่เหมือนกันนะอออกจากหลวงตาลงมาแต่กก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์แต่นี้นก็ยังเหลือไม่กี่องค์แล้วที่เป็นพี่ชายใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาเป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อจากนั้นก็จะว่าเป็นรุ่นน้อง น้องๆลงไปก็ไม่น่าจะผิดหลวงปู่เพงนะท่องปู่เพงท่านก็ไม่ไม่เคยได้เข้ามาบ้านตาท่านอยู่ห่างๆแต่หลวงตาก็นับเนื่องว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นน้องนุ่งของท่านหลวงปู่เพงเป็นเด่นของหลวงปู่มั่นอจากนั้นก็เข้ามาอยู่องค์หลวงตาหลวงตาก็นับเนื่องว่าเป็นน้องน้องของท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาะแต่หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีเนะี่ย โดยตรงหลวงปู่เพียรหลวงปู่เพียรกระจากไปแล้วมีแต่หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีเนีย่ยหลวงพ่อก็ยังคิดคิดอยู่เหมือนกันทำไมได้ลงไปทางไปดูทางน้ำท่วมก็คงจะเข้าไปกราบคารวะท่านอะไปดูอำนวยความสะดวกสิ่งไหนที่จะช่วยท่านได้อช่วยกระโกโปกพระพระหลุนน้องน้องๆลูกหลานให้อะไรที่จะให้คาแนะนา บางเสียงบางอย่างลูกศิษย์ลูกหาก็กลัวท่านแต่ตามไม่จริงก็บางเสียงบางอย่างเราก็ต้องยืดจุนกฎระเบียบที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาก็ต้องผ่อนผ่อนลงแต่โดยมากพอผ่อนลงเสียจแล้วเนะี่ยลูกน้องมันมันผ่อนตามนะอันนี้อะไตัวนี่แหละสำคัญไม่รู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อายุของท่านมากขนาดนั้น น่าจะผ่อน ล, ลงเพราะการอยู่การฉันอะไรก็ต้องอนุรุมตามาธาตุขันของท่านอันนี้พวกพระตาสีทาสาตาเมตามาพระเล็กพระน้อยประเขประขาข้างๆยิ่งยิ่งทากว่าท่านไปอีกนี่แหละจุดนี้มันจุดที่น่ากลัวคือควบคุมกันไม่ได้เสียกดระเบียบไปหมดเลยคือสมัยเมื่อกูบาอาจารย์ยังเข้มงวดกวดขัน บางทีท่านจะเห็นต่อหน้าต่อตาท่านยังได้ดุด่าว่าเก่าการเป็นอยู่การอยู่การฉันเห็นแก่ปากแก่ท้องมุมมามอดูแล้วกันะไม่เห็นแก่ทำเห็นแต่กินผลที่สุดกิเลสตัณหาพอกพูนหัวใจใจร้อนอยู่ไม่ได้ใครพูดอะไรใครว่าเก่าอะไรไม่ได้แต่คลังกิเลสนี่แหละอันนี้ก็คือหน้าคิด เพนั้นอย่างที่เป็นพระที่เป็นที่ได้รับการศึกษาดีแล้วต้องมองมองว่าสมัยเมื่อท่านแต่ก่อนท่านพาดาเนินอย่างไรผู้ที่ได้รับการศึกษาต้องดำเนินตามที่ท่านเคยพาดาเนินมาแล้วก็ต้องบอกว่าดูดาวว่ากาวพวกน้องๆให้อยู่ในระเบียบในช่วงนี้พ่อของเราแก่แล้วจะจะให้ท่านถือ การอยู่การฉันเหมือนกับพวกเราคงไม่ได้พวกเราจึงต้องฉันอีกแบบหนึ่งอยู่อีกแบบหนึ่งต้องอยู่ในกฎระเบียบแต่พ่ออายุมากแล้วแปดสิบเก้าสิบแล้วเราควรจะยืดหจุ่นสาหรับท่านอย่างไรอันนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกจะต้องได้คิดอย่างหลวงตามหาบัวท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นเหมือนกันท่านก็ยืดหยุ่นหลวงปู่มั่น แต่มาถึงองหลงตาเนี่ยก็เหมือนกันแต่แต่ว่าโดยมากพระที่อยู่รอบข้างพระมากทุกวนันล้วนแล้วจะเป็นหัวหมอกิเลสไม่ไม่ใช่หัวหมอธรรมนะหัวหมอกิเลสก็วางไปอีกแบบหนึ่งล้าหน้าท่านอีกต่างหากสิ่งที่ท่านไม่ไม่พาทำทำกว่าท่านไปอีกเพราะท่านหมดเลี้ยวหมดแรงที่จะดูดอา ว, ว่ากาวได้แล้วนะ สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องน่าคิดอีกเหมือนกันแต่ทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ตำหนิติฉินนินทาใครถ้าใครทำผิดก็ ค, คือผู้นั้นทำผิดใครได้รับการศึกษาดีแล้วรู้แล้วว่าปฏิปทาของหลวงตาเป็นยังไงแต่เราทำเกินไปก็ได้ว่าคนนั้นผิดไม่ต้องไม่ต้องให้คนว่ากล่าวไม่ต้องมีใครว่ากล่าวมันผิดก็มันผิดอยู่แล้วเหมือนกับโทษประหารนั่นโทษประหารใครก็ตาม ข้าขายยาบ้าตั้งแต่ห้ามืนเม็ดขึ้นไปโทษประหารแต่ถ้าว่าใครทำเกินกว่านั้นกันนั้นมันเป็นโทษประหารอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งไหนก็ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านตำหนิท่านบอกกล่าไวไปแล้วแต่เมื่อท่านยังแข็งแรงอยู่แตาว่าเราไปล่วงเกินจุดนั้นก็จะแสดงว่าผิดนะผิดกฎกติกาผิดกฎระเบียบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านวางไว้แล้ว อันนี้เมื่อเราเท่าแก่ชรามาเอิดเราก็ต้องผ่อนผันตามาธาตุขันเราจะไปเคี้ยวอาหารทันเหมือนกับพระน้อยพระหนุ่มก็คงไม่ได้เราก็ต้องปล่อยตามสภาพของมันเอพอมันช้า เ, เหมือนกับคนแก่นั่นะจะให้เดินเหมือนกับคนหนุ่มได้ยังไงการฉันมันก็ต้องช้าเหมือนกันการเคี้ยวก็ต้องช้าเหมือนกันการคืนก็ต้องช้าเหมือนกัน มันจะให้เร็วเหมือนกับพระน้อยพระหนุ่มได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเหมือนกันพวกเราพวกเราที่เข้ามาศึกษาไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละดวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับครูบาอาจารย์แต่สมัยเป็นเนนปฏิบัติท่านอย่างไรดูแลท่านอย่างไรพอต่อมาอยู่กับครูบาอาจารย์องค์หลวงตาหลายปีน้ําฉันน้ําใช้สี่พักพาอาศัย ที่หลับที่นอนที่นอนหมอนมุง้งปัดกวาดทําความสะอาดอย่างไรห้องน้ําห้องท่ายเหมือนกับแม่บ้านดูหมดทุกแห่งของใช้อะไรทุกอย่างยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บควรจะเก็บอะไรไว้ถวายท่านควรจะเอาอะไรไว้ถวายท่านหลวงพ่อจะเป็นคนเก็บดูแลท่านโดยมากท่านรับและกระจก ไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อเก็บเองทุกวันบางทีหลวงพ่อเก็บเก็บเก็บถ้าจะใช้อะไรก็หยิบไว้เพอาะเห็ตุไรพราดูดูแลพระรุ่นจรวดดาวเทียมเนี่ยโดยมากมันจะมองไม่ค่อยเห็นพราะเราเราต้องการอะไรเราต้องเก็บไว้เองดีกว่าอัตหิอัตโนนาโถไว้ดีกว่าพราะเรายังพึ่งตนเองได้อยู่แต่ในครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่ออยู่ด้วยท่านไม่ท่านรับมาเลยครับป่อย แต่เผื่อท่านว่าท่านเคยฉันยาอะไรตัวยาธาตุยี่ห้อเนี้ยท่านเคยฉันยาที่ยี่ห้ออื่นท่านไม่ฉันท่านบอกเอนเราปวดท้องบะยาธาตุมีไหมครับผมอย่างั้นกเอายาธาตุที่ล้ท่านเคยฉันมาถวายท่านท่านก็ได้ฉันเออไม่ใช่ว่าเก็บปล่อยป่าละเลยไม่สนใจไม่ได้อย่างผ้าที่ท่านได้มาผ้าผืนไหนผ้ายี่ห้อไหนที่ท่านเคยใช้ ถูกกับอัธยาศัยของท่านเราก็ต้องเก็บเตรียมผ้าพื้นนั้นสำรองเอาไว้ให้เพียงพอสําหรับครั้งหนึ่งและสองครั้งเตรียมเอาไว้เนี่ยถ้ามันเก่าแล้วก็เปลี่ยนพื้นใหม่เข้ามาเอาพื้นเกานะ่าเนี่ยออกไปให้ไปหมูใช้ไป น, น, นานๆแล้วก็มันไม่ได้ใช้เอาเอาพื้นใหม่เข้ามาอีกมันใหม่เอาพื้นเก่าออกไปยาก็เช่นเดียก่อนต้องถ่ายเทไว้อยู่อย่างนั้นน่ะอันนี้ก็คือการ อุปถัมภะถากรูบาอาจารย์ผ้าผืนไหนที่ท่านเคยใช้ใช้อย่างไรต้องเตรียบเตรียมเก็บเก็บไว้ยุกยาก็เหมือนกันจากนั้นก็ขึ้นที่พักพาอาศัยเราเข้าไปอยู่กับองค์หลวงตาปีปีแรกเราก็เข้าไปสังเกตก็ไปล้างกระถงกระโถนใต้ถุนกุฏิท่านต่อมาเกิดขึ้นไปกุฏิท่านจากนันก้นเราเข้าไปทําหน้าที่แทน อุปธัมประทัเพราะนะั่นเราจึงรู้แนวทางปฏิปทาขององค์หลวงตาท่านพาดําเนินอย่างไรอท่านจะดูด่าว่ากาวอย่างไรแต่สมัยนั้น่ะเรากลัวไม่กลัวหลวงตากลัวมากพูดอย่างนั้นได้แต่ว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้เนี่ยเราจะรู้อากับกิริยาของท่านสังเกตท่านพอใจไม่พอใจอย่างไรท่านทันมองพรับดูนะเนี่ยเราผิดอะไรเนี่ยไม่ใช่ซื้อบือนะ ท่านมองปั๊บมื่อเราผิดอะไรถ้ามองครั้งที่สองครั้งที่สามสามอะไระวังให้ดีเถ่นี่เอปลี่ยงเลยหลวงตาขนาดนั้นนะอย่าเข้าไปในที่นอนของท่านสมมติว่าวันนี้ท่านวางกาน้ําไว้ที่นี่กระโถนไว้ที่นี่ผ้าเจ็ดหน้าของท่านเอาวางไว้ตรงนี้แก้วน้ําไว้ตรงนั้นยาที่ท่านฉันเอาไว้ตรงนี้ถ้าเข้าไปอีกวันทศ ต่อวันไปท่านเปลี่ยนแต่ท่านเปลี่ย น, น, เ, ยนเราก็จับเอาไว้ที่เก่าก่อนแต่วันต่อไปท่านเปลี่ยนอีกเปลี่ยนถึงสามครั้งเท่านั้นแหละเปลี่ยนถึงสามครั้งถ้าเรายังไม่เปลี่ยนตามนั้นมันเข้ามาทําไมมันทําไมไม่สังเกตทำเองมันหนักใจเรานะเราทําให้ดูแล้วทำมันมันไม่ไมดูไม่รู้เลยมันมาทำอะไรมันดูอะไมันไม่สังเกตเหรอ การวางการาน้ําระวันการวางกระถนเราวางให้เหตุอยู่แล้วนะนี่โดยมากท่านจะเอาอย่างนั้นเพราะฉนั้นเราเข้าไปท่านวางไว้อย่างไงครั้งที่หนึ่งเราก็ยังจับมาไว้ที่เก่าครั้งที่สองกลับไปพอครั้งที่สามก็เอออันนี้คือจุดประสงค์ของท่านแล้วท่านอยากจะให้วางที่นี่ของใช้ของท่านท่านคงจะสัปยายะที่นี่เราก็ต้องปฏิบัติตามวางไว้ตามที่ท่านบอก กระโถนเลยกาน้าเลยจนได้เอาปากกาเล็กๆขีดเอาไว้ทำงานอเอาวางไว้จุดที่ที่ท่านที่ท่านเคยวางจุดวัดขนาดนั้นแหละหจากนั้นก็สมัยท่านพิมพ์หนังสือใช้พิมพ์ดีดกระโถน ท, นท่านไว้ไว้ยังไงเก้าอี้ท่านไว้ยังไงเก้าอี้ที่วางกระโถนเอมม้าที่วางพิมพ์ดีดห่างขนาดไหนเออเอา ตรลับเม็ดเอานิ้วมือไปวัดห่หางตรงนี้ขนาดท่านห่างตรงนี้ขนาดนี้ต้นละเอียดถึงขนาดนั้นถ้าผิดน้อยเดียวไม่ได้อโดนเฉ่งเลยงั้นเถอะเผื่อๆจะไม่ให้เข้าไปใกล้กุฏิท่านอีกต่างหากอย่ามาใกล้เราพระ ง, งโงเๆเจ๊เซ่ทาให้เราหนักใจใเพราะนั้นผู้ที่เข้าไปใกล้ท่านเนี่ยแต่ว่าเออหมุนตี้วตลอดเลยอืเวลายกยกพิมพ์ดียกยังไง ถ้ายกไม่ถูกที่ถูกทางอย่ามายุ่งกับเรานะมันยกไปงั้นมันไปชนมันเสียหายหนะ่อยถ้ายกก็ต้องยกแบบเอาที่ที่ที่ทั้งพิมพ์มาหาตัวเองเอาทั้งเอาทั้งไอ้คนเอาทุกคนทั้งคนอยู่พิมพ์ดีนะเอาออกไปข้างนอกเวลาเวลายกพิมพ์ดีท่านต้องยกไม่ได้จังหวะเวลาถอดปลั๊กถอดยังไงหยิบยังไง ถ้าท่านทําท่านมองมองตัวเราเอเข้า่าท่านยังปล่อยนะถ้าทําไม่ทําไม่เข้าท่าตุไม่ได้แอมเพอรอๆท่านทําเองทาเองนะท่านจะไล่ออกเราอีกต่างหากอพวกนั้เราขอทํำพอทํา่ะท่านถูกวเออใช้ได้ท่านยังค่อยปล่อยวางมือฮะเอทํำไปอย่างงั้นเนยก่อนที่จะยกย้ายออกมาเนี่ยท่านต้องขึ้นมาซะก่อนห้ามออก จนกว่าท่านจะเห็นอุดเห็นด้วยในการยกนั่นแหละแต่เนี่ยพอเราทําให้ท่านเป็นที่ไว้ใจแล้วก็นนั่นะท่านก็ปล่อยฮหเนี่แหละหลวงตาไม่ใช่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยู่อยู่ใกล้ท่านเนะี่ยหลงพ่อจึงรู้ได้ว่าฮถ้าเราอยู่ไกละ เ, เรากลัวกลัวกว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ไม้มันจะมาทางไหนมัดมันจะมาทางไหนหมัดหลวงตาเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ใกล้น่ย พอเงื้องาคือมาแล้วหลบเพหลบทันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราสังเกตสังเกตกับกิริยาของท่านรู้เลยเป็นนกรู้เลยสังเกตนี่แหละในแต่จะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับองค์ลงตาหลวงพ่ออยู่ปฏิบัติท่านอยู่หลายปีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เนะี่ยมาเป็นหัวหน้าหลวงพ่อจึงตำหนิหรือว่าบอกพระใ น, นองค์ไหน ให้ทําอะไรหลวงพ่อไม่เ ค, เ ค, เ ค, เคอะเขินเพราะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วทํากับครูบาอาจารย์มาแล้วเ อ, อจะสั่งองค์ไหนให้ทําอะไรหลวงพ่อจะบอกเลยเพราะถือว่าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายคือลูกของเราลูกน้องของเราคนของเราเ อ, อทําให้พอใจล่ะไม่พอใจอย่าอยู่นะห น, นีอยู่ทําไมเราก็หนักใจเหมือนกันนะเรากลวงพ่อก็จะบอกอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถือว่าคืออวัยวะของเรา ลูกน้องของเราต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายในเมื่อต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านก็จะได้ใช้ความ ร, รบอบครอบใช้ความรู้ความฉลาดในกิจวัตรข้อวัดที่ได้ผ่านการศึกษามาแล้วนาไปไปพื้ปฏิบัตินำไปใช้กับลูกน้องของพวกท่านต่อไปภายภาคหนาเนี่ยอย่างหลวงพ่อดไปอยุกับองค์หลวงตาหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามหลวงปู่แหวน ท่านก็ไม่ได้ชินไม่ท่านก็ไม่ได้อะไรท่านกไ็ได้คิดดอกเบี้ยอะไรจากเราเมื่อเราเข้าไปศึกษากับท่านแล้วเราก็ได้ม า, าได้ความรู้ศึกษามาจากนั้นเราก็นํามาเอามาใช้ใช้แบบไม่เคยเขินอีกต่างหากแต่ถ้าว่าผู้ใดนะไม่เคยปฏิบัติครูบาอาจารย์มา ก, ก่อนจะใช้ลูกน้องไปใช้ไม่เปลี่ยนเห็นครูบาอาจารย์หลายหยองค์เกรงใจเขาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะตัวเองก็ไม่เคยทําให้ครูบาอาจารย์มาก่อน ไม่เคยปฏิบัติครูบาอาจารย์มาก่อนอยู่แบบเฉยๆม่มยๆเก๊กังกังเงองะกักไปอยู่เพียงแ่วนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เคยในการเข้าไปรับใช้ท่านแต่ผู้ที่เคยขอรับใช้ท่านหลวงพ่อวะกล้าพูดกล้าแสดงกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าดุดาว่ากก่าวแก่ผู้หลูกน้องของตนเอง เชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากเพราหละไรยังเชื่อมั่นในตัวเองถ้าไม่มีใครอยู่เราอยู่คนเดียวได้เราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วเออเอาต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยต้องอยู่ด้วยกันในเมื่อเป็นสถานะเป็นลูกน้องเป็นลูกศิษย์เราก็ต้องวางอย่างหนึ่งในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเออเอ า, เ, อาเราก็ต้องวางสถานะอีกอย่างหนึ่ง นี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่เข้าไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัติตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินมาเมื่อเข้าไปทาเนินไม่อยู่กับท่านเอเวลาดับเวลาปับ๊บปังสงน้ำํำเปลี่ยนผ้าอะไรให้ท่านถูหลังให้ท่านอาบน้ํำถวายสงให้ท่านเก็บที่พักพาอาศัยดูแล ผ้าของท่าน่าเสนาธนะกุติกระทงกระโทนห่องน้ำดูแลเหมือนกับเราเป็นเป็นเป็นเด็กเด็กรับใช้อย่างนั้นอันนี้คือพ่อวิ น, นัยท่านบอกว่าเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เดินเข้ามาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมภ์ด้วยศิเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ อันนี้คือในฐานะศิษย์นี้เมื่อเป็นอาจารย์แล้วก็บอกว่าให้เรียนดีให้ศึกษาดีแนะนำดีบอกศิละปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพางยกจ้องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่ให้อดอยากนะอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์ดูแลลูกศิษย์อันนี้ถือทาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้ทานอกเหนือจากทาคาสอนท่าน แนะนำตามธรรมคำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นะในฐานะสิทธิ์ควรวางตัวอย่างไรในฐานะอาจารย์ควรจะวางตัวอย่างไรมันคนละฐานะกันนะเพราะนั้นคือหนจริงเหล่านี้หลวงพ่อนานๆหลวงพ่อจะได้พูดเพื่อเป็นแนวศึกษาเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่พระที่เข้ามาศึกษาอยู่กับหลวงพ่อ หลวงพ่อจะบอกกล่าวเราจะไปดิ่งดูไดอันนี้ที่ทําไปแล้วคือมันเชื่อมั่นในตนเองเพราะเราเคยทํากับครูบาอาจารย์อย่างไรเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็เชื่อมั่นในการกระทําของเราเรากล้าบอกกล้าแสดงกล้าแนะแนวเอกล้าบอกกล่าวเพราะอะไรเพราะเราทํามาเราผ่านมาแล้วเราทำทําผ่านมาแล้วอย่างเนี้ย ที่ที่เราบอกเนี่ยอไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทําเราทําแต่เมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เมื่อเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะต้องรู้สถานะของตนเองอีกต่างหากไม่ใช่ว่าเราทําได้อยู่พอที่พระน้อยหนุ่มจะทําเราก็เอออย่าอย่าอย่าทำนะเราทําเองได้ไม่เป็นไรเพราะยังไม่ถึงยังไม่ถึงคราวที่จะต้องให้ทําแต่เมื่อถึงคราวให้ทําเราก็จะบอกเออทํา เราช่วยตนเองไม่ได้แล้วพวกท่านทั้งหลายต้องเข้ามาต้องดูต้อง แ, และแลวก็กล้าพูดอีกต่างหากเพราะเราเคยทำมาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเห็นมาเมื่อท่านสมัยก่อนเมื่อท่านได้ตัดรู้ใหม่ท่านก็ยังไม่ได้หาพุทธอุปถอท่านก็ยังทำทาใครจะมาอุปถา ก, ก็าได้พระองค์ไหนเน้นองค์ไหนใครก็ตามมาอุปถา ก, ก็ได้แต่พอที่ พระพุทธองค์อายุมากแล้วอายุถึงปัรษาสี่สิบห้าแล้วเนี่ยท่านยังในประกาศหาอุปถาก็ได้พระอานนท์เป็นพุทธอุปถาเป็นผู้ดูแลพระพุทธองค์ก็เป็นองค์แสดงธรรมหรือเป็นประผู้ประกาศคบคู่คนประกาศพระศาสนาอประกาศพระศาสนาเสร็จแล้วจะมาล้างบาทรตัวเองอย่างนั้นเหรอก็ไม่ใช่วิสัยอย่างนั้นอที่รับแขกไปแล้วก็คือลคู่คน จากนั้นพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองกว้างขวางได้ยังไงพระพุทพวงยังมาช่วยดูแลบริขารของตอนเองอยู่เรื่องบริขารก็เป็นหน้าที่ของศิษยาณุศิษย์และพุทธอุปถากหรือผู้ดูแลอุปถากเป็นผู้ดูแลแทนส่วน่งพระพุทธองค์เป็นผู้ประกาศเป็นผู้บอกทำคําสอนเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่วนเรื่องส่วนตัวนั่นก่อนเนี่ย ผู้อุปถธรรมปฐาเป็นผู้ดูแลพระพุทธองค์ฮนะเจียงว่าพุทธอุปถาก็คือพระอานนะุนอันนี้ก็เหมือนกันเนะ่ะครูบาอาจารย์แต่ละองค์อย่างหลวงปู่ที่ผว่าหลวง ป, ปู่บุญมีอย่างนี้หลวงปู่ล่เนะี่ยที่พันเป็นพระปู่เท่าอายุมากถึงขนาดนั้นแหละจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดปฐมปฐาท่านยังไงดูแลท่านยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่ใกล้เนะี่ยต้องใช้ ผู้มีสติภู้มีปัญญารอบคอบนะลูกหลานที่อยู่ใกล้องค์ท่านนี่แหละอันนี้ก็คือแนวทางปฏิบัติแต่ลงมุมตาเนึ่ยลงตาเนี่เข้ายากนะลงตามหาบวชนไม่เอาไม่เอาอะไรง่ายๆไม่เหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นถ้าเปเรียบเทียบกับครูบาอาจารย์องค์อื่นแล้วท่านยังจังจังช่วยอะไรแต่ลงตาเนี่ยไม่ไม่ยอมถ้าเราจะทำอะไรไม่ ขอในมนุษย์องค์ลงตาเอาลงไปชั้นก่อนครับผมไม่ต้องบินทบาทไม่เรารู้เรารู้ตัวเองถ้าเราไปไม่ได้เราจะบอกว่าก็จริงอย่างทันนะอพอเสร็จแล้วท่านก็พอไปไม่ได้ท่านบอกเออเราไม่ไปบินทบาทแล้วนะเราไปไม่ได้หรอมันไม่คุ้มค่ากันนี่เราจะไปบินทบาทเพราะเหตุอะไรเพราะเราไปบินทบาทเข้าไปแล้ว คนทั้งหลายหลุมเราเราจะเวียนศีรษะเราจะล้มเอามันหน้ามืดเวลาเขาใส่บาทของเราเนี่ยบางทีใส่น้ําเป็นแผลกอของหนักๆใส่เข้าไปใครใคอยากจะได้บุญใส่ทั้งข้าวใส่ทั้งกับใส่ทั้งน้ําใส่ทั้งขนมใส่ผลไม้ด้วยถุงบักใหญ่ใส่เข้าไปจดบาเอียงอายุถึงขนาดนั้นแหละโอ้เราเราไม่ไหว แเพราะ น, นั้นเราจะไปเดินจงกรมตอนเช้าได้เวลาเราจรึงจะออกมาฉันเนี่ยร่วงช่วงหลังๆตรงตาท่านทําอย่างนั้นพอตอนเช้านะครับท่านก็ไปเดินทับเดินจงกรมอยู่ในป่าตามลําพังพอได้เวลาท่านก็ค่อยเดินออกมาแล้วค่อยมาฉันมีอะไรท่านก็ฉันจุบจ๊บจิบจบจบจ๊บก่อนเพื่อให้เออคล้ายๆกับว่ามันต้องมีอาหารในท้องซะก่อน จากนั้นท่านจะพูดอะไรท่านยังค่อยพูดอแนะนําก่อนฉันจังหันอย่างนี้แหละคือคือว่าต้องต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพเหมือนกับหลวงปู่จามหลวงปู่จามบินถบาทมาแล้วท่านก็มาก็นั่งฉันเลยนะอพวกเราก็จัดอาหารไปเรื่อยๆท่านก็ฉันไปเรื่อยๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะฉันไปเรื่อยเพราะฉันเสร็จแล้วท่านก็พวพวกเราก็ให้พรให้อะไรเสร็จแล้วเราก็ฉัน บางทีฉันถ้าก็ยังฉันไม่ยังไม่จบอีกต่างหากว่าท่านคนแก Lock ่เนี like like yeah. like right. ่ยจะไปฉันเหมือนคนหนุ่มได้อย่างไรแอมมันเคี้ยวกว่าชาคืนกว่าชาอะไรกว่าชาไปหมดเออของเราเนี่ยทำข้าวยัดเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเข้าไข่ไก่ของท่านนี่ยทอดจอมก้อยเนี่ยก็ยังเคี้ยวยังต่อยต่อยอยู่นั่นมันจะมันจะมันจะเหมือนคนหนุ่มได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดทั้งหมด น้องต้องปล่อยไปตามสภาพธาตุขันของท่านนะเพื่อความสัปปะยะของท่านแต่เราจะไปถือแบบท่านเมื่อท่านสมัยน้อยหนุ่มท่านทาอีกแบบหนึ่งแต่บัดนี้ท่านอายุมากแล้วท่านต้องทำอีกแบบหนึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายนะท่านจะว่ายไปนี่ก็คือสอนมวยสอนแนวความคิดให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาแล้วรับพรอนุโมทนาให้พ